ความอ่อนเพลียของกายทิพย์กับการพักผ่อนการเข้ามาสู่โลกทิพย์ของมนุษย์ชนิดที่เป็นการเข้ามาอยู่อย่างถาวร น, นั้นย่อมเหมือนกันในทุกกรณีคือเกิดจากการที่สายใยแห่งชีวิตซึ่งเชื่อมโยงกายเนื้อกับกายทิพย์ไว้นั้นขาดสะบ้านลงแต่ท้าว่าสาเหตุที่ทาให้สายใยดังกล่าวมาขาดสะบ้านลงนั้นก็ย่อมแตกต่างกันไปได้ตามแต่กรณี เช่นอาจจะเป็นเพราะอุบัติเหตุความเจ็บไข้หรือความชราก็ได้แต่หลังจากที่สายใยเช่นนั้นได้ขาดลงแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นเป็นเรื่องราวที่แตกต่างกันอย่างมหาศาลเลิศเกินทางนี้ย่อมขึ้นอยู่กับสภาพแห่งจิตใจของแต่ละบุคคลและไม่เหมือนกันจริงๆเลยสักรายเดียวเรื่องเช่นนี้ข้าพเจ้าไม่สามารถบรรยายให้หมดสิ้นกระบวนความได้เพราะเป็นเรื่องที่กว้างขวางไพศาลอย่างยิ่ง ดังนั้นก็อาจจะกล่าวได้แต่เพียงกว้างๆหรือในกรณีทั่วๆไปด้วยมากเท่านั้นในบรรดาสาเหตุแห่งความตายนั้นในเวลาปกติส่วนมากก็คงเป็นความป่วยไข้แม้แต่ระหว่างบุคคลพูดถึงแก่ความตายด้วยการป่วยไข้ก็ยังมีความแตกต่างกันได้อีกสุดแล้วแต่ว่าความป่วยไข้นั้นจะเป็นความป่วยไข้ที่เรื้อรังหรือเปล่า และเป็นโรคที่ทําให้เกิดความทรมานหรือเจ็บปวดมากหรือเปล่าถ้ากายเนื้อต้องทนทุกข์อยู่กับโรคเรื้อรังเป็นเวลานานก็จะส่งผลไปถึงกายทิพย์ทให้เกิดความอ่อนเพลียแก่กายทิพย์ด้วยทั้งๆที่ตามความเป็นจริงแล้วความอ่อนเพลียนั้นเป็นเรื่องของกายเนื้อโดยเฉพาะไม่จำเป็นต้องกระทบกระเทือนถึงกายทิพย์เลยก็ได้ถ้าบุคคลนั้นรู้จักฝึกจิตของตน ไม่ให้ติดอยู่กับกายเนื้อจนเกินไปความป่วยไข้เรื้อรังดังกล่าวนั้นจะทำให้กายทิพย์เมื่อหลุดจากกายเนื้อมาแล้วก็ต้องเข้าสู่สถานพักปื้นในโลกทิพย์เสีย้ยวระยะเวลาหนึ่งก่อนในระหว่างนี้วิญญาณจะยังลงสู่ความหลับซึ่งเป็นการพักผ่อนอย่างผาสุขเพื่อชดเชยความอ่อนเพลียที่ได้รับจากโรคเรื้อรังนั้นมาเป็นเวลานานและในที่สุด ก็จะตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นอย่างแท้จริงสำหรับระยะเวลาที่วิญญาณของแต่ละคนต้องการหลับเพื่อชดเชยความทุกข์ทรมานแต่หัวหลังนี้ก็ยอมแตกต่างกันไปเป็นรายๆบางคนก็ต้องการเวลาไม่นานนักแต่บางคนก็ต้องการเวลานับเป็นเดือนๆทีเดียวกว่าจะตื่นจากการหลับเพื่อพักฟื้นขึ้นมาได้แต่สำหรับข้าพเจ้าเองนั้น ตามที่เดเล่าให้ท่านทราบมาแล้วในภาคหนึ่งปรากฏว่ากายทิพย์ของข้าพเจ้าได้หลุดออกจากกายเนื้อโดยรู้สึกตัวคือโดยไม่ได้มีการหลับหรือสิ้นสติเลยดังนั้นจึงมีโอกาสได้เพ่งดูกายเนื้อของข้าพเจ้าเองที่ทิ้งไว้เบื้องหลังและที่นอนนิ่งอย่างปราศจากชีวิตอยู่บนเตียงจนกระทั่งมิตรเก่าที่จากข้าพเจ้ามาสู่โลกทิพย์ก่อนคือเอ็ดวินได้นําข้าพเจ้ามาสู่บ้านในโลกทิพย์ของข้าพเจ้าเอง ต่อจากนั้นข้าพเจ้าจึงได้รับคำแนะนำให้หลับเพื่อพักผ่อนเอาแรงสักสักครู่หนึ่งซึ่งเมื่อข้าพเจ้าตื่นขึ้นก็รู้สึกมีความสดชื่นแจ่มใสอย่างยิ่งไม่มีความทุกข์ทรมานใดๆเหลืออยู่เลยและข้าพเจ้าเองก็รู้สึกว่าเป็นความสดชื่นอย่างชนิดที่ข้าพเจ้ามีได้เคยประสบมาแต่ก่อนเลยในโลกมนุษย์ข้าพเจ้าเองก็ไม่ทราบว่า ได้หลับไปเป็นระยะเวลานานสักเท่าใดแต่ก็ได้รับคำบอกเล่าว่าเป็นระยะเวลาที่สั้นมากทีเดียวคือสั้นยิ่งกว่าระยะเวลาแห่งการป่วยของกายเนื้อเสียอีกเกี่ยวกับความป่วยของกายเนื้อนั้นข้าพเจ้าคิดว่าความเรื้อรังของโรคและความทรมานนั้นเกิดจากทุกขเวทนาของกายเนื้อสองประการนี้มีส่วนกระทบกระเทือนต่อกายทิพย์มากเหมือนกัน เพระาะทาให้เกิดความเพลียขึ้นแก่กายทิพย์ได้ตามส่วนแต่ทั้งนี้ข้าพเจ้ามิได้หมายความว่าความเพลียดังกล่าวอันเกิดกับกายทิพย์นั้นจะมีลักษณะเช่นเดียวกับความเพลียซึ่งเกิดกับกายเนื้อเลยทั้งนี้เพราะว่าทั้งสองประการนั้นอันที่จริงแล้วไม่มีลักษณะเหมือนหรือเทียบกันได้เลยเนื่องจากกายทิพย์นั้นไม่มีความเจ็บปวดตามข้อ ความชาเป็นเน็บของกล้ามเนื้อแล้วก็ไม่มีลนะักษณะอันจะเปรียบกับความเหนือ่อยทางสมองซึ่งทําให้มนุษย์ไม่สามารถเพ่งความสนใจในเรื่องใดได้านานๆอีกด้วยยิ่งกว่านั้นเราชาวโลกทิพย์ก็ไม่มีความรู้สึกกระสับกระส่ายหรือไม่สบายใจแต่อย่างใดข้าพเจ้าลองใช้คําว่าความเพลียดูไปพลางก่อนกบเพราะยังหาคําบัญญายนให้เหมาะสมตรงตามความเป็นจริงทุกประการอย่างสั้นๆไม่ได้นั่นเอง คือสำหรับท่านซึ่งยังเป็นมนุษย์อยู่นั้นเมื่อทำการงานอันเป็นกิจประจาวันไปได้ถึงระยะเวลาพอสมควรพลังที่สะสมอยู่ในร่างกายจะถูกใช้สิ้นเปลืองร่อยๆลงไปหรือหมดไปท่านก็ต้องพักผ่อนหรือนอนหลับการพักผ่อนดังกล่าวมาจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์ถ้าท่านต้องการที่จะมีความสามารถในการทางานต่อไปเรื่อย เราเมื่อท่านพักผ่อนหรือนอนหลับนั้นกายเนื้อก็ได้รับการประจุหรือเสริมพลังให้ใหม่ในขณะที่ประสาทสัมผัสหยุดทำงานชั่วคราวแต่สำหรับเราชาวโลกทิพย์เรื่องจะไม่เป็นเช่นนั้นพลังชีวิตของเราไหลผ่านเราอยู่เสมอจากแหล่งพลังใหญ่ของชีวิตทั้งปวงเราสามารถให้กระแสพลังผ่านตัวเราได้โดยไม่จาเป็นต้องอาศัยความหลับเป็นสื่อ และดังนั้นหากเราต้องการจะเสริมพลังให้แก่ตนเองเมื่อไรก็ย่อมทำได้ทันทีโดยเพียงแต่นึกหรืออธิษฐานจิตขอพลังเพิ่มเติมเพื่อให้เราสามารถกระทำงานบางอย่างให้ลุล่วงไปตามความประสงค์แล้วเราก็จะได้รับพลังดังที่ปรารถนาทันทีดังนั้นความเพียรของเราจึงมีลักษณะเป็นความปรารถนาที่จะทางานอย่างอื่นโดยเปลี่ยนจากงาน ที่กําลังกระทําอยู่ในขณะนั้นเสียมากกว่าข้าพเจ้าใช้คํานี้ก็เพราะยังหาคำอื่นที่กระทัดรัดไม่ยืดยาดอย่างไม่ได้นั่นเองและความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะเกิดขึ้นในขณะที่เรากําลังทํางานอยู่หรือกําลังสนุกสนานด้วยการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็ได้เพราะความปรารถนาเช่นนั้นย่อมเป็นเรื่องธรรมดาสามาัญของเราในโลกทิพย์เหมือนกับของท่านในโลกมนุษย์ แต่ข้อแตกต่างมีอยู่ว่าในโลกทิพนี้แม้เราจะทำงานเป็นนานมากๆก็ตามก็จะไม่เกิดการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยว้าของอวัยวะของร่างกายของจิตใจเลยประสิทธิภาพในการทำงานของเราจึงสูงกว่าชาวโลกมนุษย์เกินกว่าที่ชาวโลกมนุษย์จะคิดถึงทีเดียวดังนั้นเราจึงสามารถทำงานกันได้นานแสนนานอย่างแทบไม่น่าเชื่อโดยที่จะไม่เกิดผลร้ายแก่ร่างกายของเรา หรือเป็นเหตุทาให้งานการของเราบวกพร่องเลยแต่ในโลกมนุษย์รู้สึกว่าบุคคลส่วนมากมักจะมีความคิดเห็นกันอยู่อย่างหนึ่งว่าพวกเราชาวโลกที์ทำงานกันอย่างเดียวตลอดการข้อคิดเห็นอันแปลกประหลาดนี้อาจจะมาจากแนวความเชื่อมั่นที่ว่าวิญญาณจะต้องพักผ่อนอยู่ตลอดการก็เป็นได้ซึ่งเป็นเรื่องที่เลวลายอย่างสิ้นเชิง เพราะโลกทิพย์ไม่ใช่เป็นโลกของการหยุดนิ่งหรือตายด้านชาวโลกทิพย์ก็ไม่ได้ก้มหน้าก้มตาทำแต่งานอย่างเดียวกันตลอดอสงไข์กับโดยไม่ต้องพักผ่อนและโดยไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างเลยจริงอยู่งานนั้นๆอาจจะไม่มีวันหยุดชะงักแต่ผู้ทำงานย่อมมีการหยุดพักหรือเปลี่ยนอารมณ์กันเป็นครั้งคราวและนี่เองเป็นข้อได้เปรียบ หรือพอรสวรรค์อย่างหนึ่งของโลกทิพย์คือเราสามารถเปลี่ยนแปลงชนิดของการงานที่เราทำไปได้เรื่อยๆตามรสนิยมหรืออัธยาศัยของเราแต่และรายชีวิตของเราไม่ใช่เป็นเสมือนน้ำขังที่ไม่มีวันไหลไปไหนเลยและก็ไม่มีใครคอยมาบงการชี้นิ้วให้เราเดินไปตามแนวทางที่เขาได้กำหนดไว้ให้แก่เราตามอาเภอใจของเขาเราทางานในเมื่อรู้สึกว่าต้องการจะทา แลวก็หยุดในเมื่อรู้สึกว่าต้องการจะหยุดและแล้วก็เปลี่ยนไปทำงานอื่นหรือไม่ทำอะไรเลยก็ได้ตามใจชอบแต่สำหรับผู้ที่มาถึงโลกทิพย์ใหม่ๆนั้นการพักผ่อนหรือนอนหลับเสีั่วระยะเวลาหนึ่งย่อมเป็นของสำคัญหรืออันที่จริงก็เป็นของจำเป็นทีเดียวเพื่อให้โอกาสแกีกายทิพย์ได้ปรับตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และสภาวะของชีวิตใหม่เพราะกายทิพนั้นๆได้ถูกผูกติดอยู่กับกายเนื้อมาสิ้นนานจนเคยชินและในระหว่างที่ยังครองกายเนื้ออยู่ในโลกมนุษย์ก็ถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องรับทุกขเวทนาของกายเนื้อเข้าไว้เป็นของตนคือต้องพลอได้รับความทรมานเจ็บปวดต่างๆนานาไปกับกายเนื้อด้วยอย่างแยกไม่ออกสาหรับบุคคลผู้มีสติหรือปัญญารักษาตนได้บ้าง ก็จะสามารถสลัดพันธะหรือความกระทบกระเทือนอันเกิดจากอุปาทานไปได้ในเวลาไม่ช้านักและต่อจากนั้นก็สามารถปรับปรุงตนเองให้เข้ากับชีวิตใหม่ได้โดยไม่ยากแต่บางราที่ยังไม่มีความสามารถถึงขนาดนั้นก็ต้องใช้เวลานานออกไปไม่มากก็น้อยตามแต่กรณีเป็นรยรายไปแต่อย่างไรก็ตามกายทิพย์ จะไม่ได้รับความชํำรุษเสียหายอันเกิดจากความป่วยไข้ที่ทำให้ต้องผ่านเข้ามาสู่โลกทิพย์เลยผลของความป่วยไข้มาแสดงผลแก่จิตใจของผู้นั้นซึ่งมีผลสืบเนื่องต่อมาคือทำให้กายทิพย์ของเขามีลักษณะเศร้าหมองไม่สดใสเท่าที่ควรแต่ความเศร้าหมองดังกล่าวนี้เป็นเพียงการแสดงออกถึงความคิด คือการพลอยรับเอาทุกของร่างกายมาหอบเข้าไว้เท่านั้นมีใชยแสดงถึงความก้าวหน้าหรือความปราณีตของจิตโดยตรงกรในเรื่องความประณีตของจิตนี้สุขภาพของร่างกายแม้ว่าจะตกต่ำหรือเสื่อมโทรมอย่างใดก็ไม่สามารถส่งผลทำให้เกิดความเสียหายได้เลยถ้าจิตของบุคคลนั้นมีความปราณีตสูงส่งมาแต่เดิมอยู่แล้ว และการพักฟื้นเสียชั่วระยะเวลาหนึ่งก็ย่อมเป็นการเพียงพอที่จะขจัดความเศร้าหมองในลักษณะเช่นนั้นให้หายไปทำให้จิตมีสภาพสดใสเช่นเดิมสำหรับเราชาวโลกทิพนั้นคำว่าการพักผ่อนมีความหมายยืดหยุ่นกว้างขวางมากเพราะเราอาจจะพักผ่อนกันด้วยลักษณะที่แปลกจากมนุษย์มากดังนั้น บางครั้งเราอาจได้ไปเห็นใครคนหนึ่งในโลกทิพกํกำลังทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่อย่างเอาเป็นเอาตายแต่เมื่อไปถามเขาดูเขาอาจจะบอกว่าอันที่จริงเขากำลังพักผ่อนอยู่ก็ได้นี้เป็นเครื่องแสดงว่าการพักผ่อนของเขามักจะมีความหมายตรงกันข้ามกับมนุษย์อย่างเขาวเป็นดำทีเดียว หมายเหตุคําอธิบายเพิ่มเติมจากอาจารย์พรรัตนสุวรรณจากประโยคที่ว่าและในระหว่างที่ยังครองกายเนื้ออยู่ในโลกมนุษย์กายทิพย์ก็ถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องรับทุกขเวทนาของกายเนื้อเข้าไว้เป็นของตนคือต้องพอได้รับความทรมานเจ็บปวดไปต่างๆนาน า, นานกับกายเนื้อด้วยอย่างแยกไม่ออกสําหรับบุคคล ผู้มีสติหรือปัญญารักษาตนได้บ้างก็จะสามารถสลัดพันธะหรือความกระทบกระเทือนอันเกิดจากอุปาทานออกไปได้ในเวลาไม่ช้านักข้อความตอนนี้ขอให้ผู้อ่านได้โปรดสังเกตว่าตามความเข้าใจของท่านโรเบิร์ตฮิวเบนสันท่านถือว่าความเจ็บปวดต่างๆของกายเนื้อนั้นกายทิพเป็นผู้รับเอาไว้ถ้ากายทิพไม่มีกายเนื้อก็จะไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวด เพราะเหตุที่กายทิพย์เป็นผู้ที่รู้สึกถึงความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเมื่อตายแล้วกายเนื้อไม่มีเหลืออยู่แต่กายทิพย์อาศัยความเคยชินหรืออาศัยความยึดมั่นที่ติดมาตั้งแต่สมัยยังรองกายเนื้ออยู่จึงทำให้กายทิพย์ยังคงมีความเจ็บปวดเหลืออยู่ไม่มากก็น้อยแล้วใครจะสลัดออกไปได้เพียงไรก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของผู้นั้น เมื่อท่านอ่านข้อความตอนนี้แล้วขอเดียบรดย้อนไปอ่านหมายเหตุข้อที่สองอีกครั้งหนึ่งที่ท่านกล่าวว่าความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายนั้นขึ้นอยู่กับกายทิพย์หรือแสดงออกมาจากกายทิพย์ถ้าท่านจำข้อความตรงนี้ได้ดีก็จะทําให้เข้าใจถึงหลักของท่านโรเบิร์ตอิวเบนสันแจมแจ้งขึ้นโปรดสังเกตว่าหลักอันนี้ผิดกับของพระพุทธศาสนา ราะทางพระพุทธศาสนาถือว่ากายเนื้อก็ดีกายทิพก็ดีขึ้นอยู่กับจิตใจทั้งหมดจิตใจเป็นนามธรรมส่วนกายเนื้อและกายทิพเป็นรูปธรรมการที่ข้าพเจ้าต้องหมายเหตุข้อนี้ไว้ก็เพื่อจะทำให้รู้จักแยกแยะประเด็นที่แตกต่างกันและทำให้เข้าใจถึงแนวความคิดตามในหนังสือโลกทิพแจ่มแจ้งขึ้น ซึ่งในที่สุดเราก็จะสามารถวินิจฉัยได้ว่าหลักเกณฑ์ต่างๆตามที่กล่าวไว้ในหนังสือโลกทิพนี้ส่วนไหนที่ควรเชื่อถือได้ส่วนไหนไม่ควรจะยึดถือเอาเป็นหลักความจริงโปรดสังเกตอีกข้อหนึ่งว่าทุกขเวทนาย่อมเกิดขึ้นกับกายทิพได้หรือพูดอีกในยะหนึ่งว่าคนเราแม้จะตายแล้วกายเนื้อไม่มีแล้ว แต่ก็อาจจะมีความเจ็บปวดทรมานเหมือนไม่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ก็ได้การที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมาจากอุปาทานและเนื่องมาจากการไม่เข้าใจในสภาพของชีวิตที่เกิดใหม่จึงไม่อาจสลัดความเจ็บปวดต่างๆอย่างที่เคยมีเมื่อสมัยเป็นมนุษย์ออกไปได้ซึ่งหลักอันนี้รงกับของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้น ท่านจะเห็นได้ว่าหลักต่างๆตามที่กล่าไว้ในหนังสือโลกทิพนี้ไม่ใช่เรื่องนิยายหรือเรื่องเพอ้อฝันในเมื่อเรายอมรับว่าหลักพระพุทธศาสนาเป็นหลักที่ถูกต้องและอีกประการหนึ่งสำหรับคนที่เชื่อตามหลักในหนังสือโลกทิพเมื่อมาได้อ่านหลักคาสอนในทางพระพุทธศาสนาก็จะทำให้เกิดความเลื่อมใสว่า ในทางพระพุทธศาสนาก็มีความเชื่ออย่างเดียวกับเขาสำหรับคนที่มีความรู้สึกคิดนึกแบบนี้ต่อไป น, น, นานๆในเมื่อมีโอกาสได้ศึกษาพระพุทธศาสนามากขึ้นก็จะกลายเป็นคนที่นับถือพระพุทธศาสนาไปในที่สุด